ทีทีบวงสูงดวงวิญญาณของผู้ที่สร้างโบสถ์เริ่มขึ้นเมื่อเวลาเกานาฬิกานาทีและไปเสร็จสิ้นเมื่อเวลา10นาฬิกาต่อจากนั้นก็เป็นการรื้อถอนพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งท่านพระครูได้ขอแรงผู้ชาวบ้านระดมกำลังกันมาช่วยซึ่งกว่าจะรื้อเสร็จต้องใช้เวลาถึงสี่วันและได้พบหลักฐานมากมายที่ยืนยันว่า โบสถ์หลังนี้สร้างโดยคนจีนในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชใต้พื้นโบสถ์มีเครื่องกางใสสตางค์จีนหยกและเพชรนินจินดาฝังอยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีภาพเขียนสีน้ำมันของผู้ที่สร้างโบสถ์เป็นภาพชายสองคนไว้ผมแกละมีตัวหนังสือจีนเขียนกำกับไว้ที่ใต้ภาพ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 สร้างถวายเป็นโบสถ์ทรงไทยตกแต่งแบบศิลปะจีนหน้าบันประดับเครื่องลายครามที่นำมาจากเมืองสุโเทัมีศิลาจารึกบันทึกเรื่องราวไว้ว่ากิมเหลียงกับกิมจือมีเพื่อนเป็นฝรั่งชาติฮอลันดาผู้ซึ่งเข้ามาทำการค้าขายกับสมเด็จพระนารายมหาราช เมื่อสองพี่น้องสร้างโบสถ์เสร็จก็อยากได้พระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ในโบสถ์ที่ตนสร้างจึงขอให้เพื่อนที่เป็นฝรั่งชาติฮอลันดาไปทูลขอพระราชทานจากสมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จพระนารายทรงพระราชทานพระนาคปรกหินสีเขียวมาสองอ ง, องค์คือพระนาคปรกหูยานกับพระนาคปลกขเมขมรขคางคนหูตุ้ง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 แต่ถึงท่านจะระมัดระวังอย่างไรก็มีคนมาขโมยจนได้ท่านรู้ตอนที่เขานำมาคืนซึ่งเขาสารภาพว่าได้ขโมยกำไรหยกไปอันหนึ่งสวยงามมากเมื่อส่องกับแสงไฟจะเห็นเป็นม้าก้าวตัวกาลังวิ่งตกกลางคืนเมื่อทุกคนในบ้านเข้านอนกันหมดแล้วก็ต้องตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงม้าร้องและเสียงคนจีน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 นอกจากชาวบ้านที่พากันมาช่วยสร้างแล้วยังได้กำลังจากทหารจังหวัดทหารบกลบบุรีมาช่วยอีกทางหนึ่งค่าก่อสร้างจะต้องใช้เงิน4 0 0สิบหมื่นเงินที่ได้จากการทอดกะถินเมื่อวันที่สองได้24บหมื่นที่เหลืออีก16 0ห0มื่นต้องรอไว้ทอดกะถินปีหน้าช่วงระยะเวลาที่จะสร้างโบสถ์เป็นช่วงที่ท่านพระครูเหน็ดเหนื่อยที่สุดบางวัน ท่านมิได้ฉันพัตหารทั้งเช้าและเพลนยังชีวิตยอยู่ด้วยน้ำเพียงสามสี่แก้วร่างกายของท่านสู้หอมจนดูผิดรูปผิดร่างน้ำหนักเหลือเพียงสี่สิบกิโลกรัมซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความสูงญาติโยมพากันห่วงใหญ่ท่านเกรงว่าจะมรณภาพเสียก่อนที่โบสถ์จะเสร็จ การสร้างโบสถ์ดำเนินไปได้สามเดือนหลวงตาเฟื่องก็มรณภาพและที่น่าสลดใจก็คือท่านเป็นพระภิกษุน่าจะมรณภาพที่วัดหรือโรงพยาบาลแต่กลับมรณภาพที่บ้านวันนั้นหลังจากฉันเพลนแล้วท่านก็เก็บน้อยหนาที่หลวงตาอ้อนปลูกไว้นำไปให้ลูกหลานถึงเวลาเย็นได้เวลากลับวัดท่านเกิดเวียนศีรษะจึงให้ลูกหลานปูเสือ่อ และหาหมอนมาให้คิดว่านอนหลับสักพักก็คงจะหายเมื่อได้นอนก็เกิดหายใจไม่ออกและรู้สึกจุกที่หน้าอกลูกชายจึงขี่จักรยานไปตามหมอที่ศุกรศาลาแต่หลวงตาวัยใกล้เจ็สก็สิ้นใจก่อนที่หมอจะมาถึงท่านพระครูรู้สึกสลดใจเพราะท่านรู้ว่าหลวงตารูปนี้มิได้ไปดี จริงอยู่ในช่วงหลังๆหลว ง, งตาเฟื้องพยายามจะทำความดีแต่ก็ไม่สามารถฝืนใจได้เพราะการทำความดีต้องฝืนใจในระยะแรกๆทำจนชินแล้วนั่นแหละถึงจะไม่ต้องฝืนเมื่อท่านฝืนใจไม่ได้จึงกลับมาประพฤติเช่นเดิมอีกกระทั่งมรณภาพ <Okay. S 1> เดือนต่อมา หลวงตาอ้อนก็มรณภาพอีกท่านพระครูรู้สึกสังเวทใจเพราะเมื่อท่านมาอยู่วัดป่ามะม่วงใหม่ๆมีเพียงเนนกับพระภิกษุสองรูปนี้เมื่อมามรณภาพไปในเวลาใกล้เคียงกันจึงทำให้อดใจหายเสียไม่ได้ข้างฝ่ายญาติโยมก็พากันเสียใจกลัวว่าเจ้าอาวาสจะมรณภาพตามไปอีกซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ย่อมหมายความว่า งานสร้างพระอุโบสถต้องหยุดชะงักลงจริงอยู่แม้ในเวลานี้จะมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ถึง25รูปหากก็ไม่มีรูปใดที่มีความสามารถพอที่จะรับภา ร, ระแทนท่านพระครูได้ท่านสมภารอีฉันนำพัตหารมาถวายนี่มนฉันเพนจ้ะ ถึงเวลาแล้วนางโถไปนิมนต์ท่านพระครูขณะที่ท่านกำลังดูแลเรื่องการสร้างโบสถ์อาตมายังไม่หิวหรอกจ่ะอยากให้งานเสร็จก่อนเรื่องขบฉันเอาไว้ทีหลังท่านบอกนางโถซึ่งเท่ากับเป็นการบอกใบว่าท่านจะไม่ฉันเพงนางโถรู้สึกน้อยใจ และยิ่งเป็นห่วงสุขภาพของท่านหรือว่าท่านชอบแกงเลียงนางก็อุตสาธท ร, รมาถวายท่านกลับทำท่าว่าจะไม่ฉันจะทำอย่างไรดีหนอท่านอีฉันขอร้องเถือจ้ะอีฉันไม่สบายใจเกรงว่าท่านจะอาพาธเจ็บป่วยเพราะท่านตรากตรำกับงานมามากเหลือเกินถ้าไม่เห็นแก่ตัวท่านเอง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 มานั่งร้องไห้จึงถามว่าโยมเป็นอะไรร้องไห้ทำไมอีฉันเสียใจจ้ะเสียใจที่ท่านมองข้ามความหวังดีของอีฉันถ้าท่านไม่ฉันอีฉันสาบานว่าจะไม่มาวัดนี้อีกใจเย็นๆน้าโยมเอาละฉันก็ฉันงั้นก็ไปที่กุฏิ เดี๋ยวอาตมาจะตามไปนางโถดีใจนักรีบหิ้วปิ่นโตเดินไปที่กุฏิของท่านและสั่งให้เด็กชายสัมฤทธิ์ช่วยตั้งสำรับสักครู่ท่านพระครูก็มาถึงเข้าไปล้างมือล้างเท้าในห้องน้ำและจึงมานั่งฉันกระนั้นก็ฉันไปสองสามคำแล้วจึงรวบช้อนนางโถอยากจะขยันขยอให้ท่านฉันอีก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 เขาขับรถจากลบบุรีมาวัดป่ามะม่วงทุกวันเพื่อมาดูแลเรื่องการก่อสร้างพระอุโบสถและก็ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของท่านคณะกรรมการมิได้มีบทบาทมากนักบางคนกลับให้ทำงานล่าช้าเข้าไปอีกดังนั้นแม้จะมีการตั้งคณะกรรมการหากคนทำงานจริงๆมีเพียงสองคนคือท่านพระครูกับนายทองหยด ส่วนขหาบดีอีกสองคนที่อยู่พิจิตคนหนึ่งนครราชสีมาคนหนึ่งนั้นหลังงานทอดกระถินเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนแล้วก็ไม่ได้มาอีกหา ก, ก็รับปากว่าปีหน้าจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพอีกครั้งเวลาผ่านไปอีกปีครึ่ง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 งานฉลองพระอุบโบสถจัดขึ้นสามวันสามคืนมีการทำบุญตักบาตรฟังเทศและเจริญวิปัสสนากรรมฐานกลางคืนเป็นการบรรเลงดนตรีไทยของคณะจรูนรัตซึ่งแต่ก่อนมีหนุ่มเจริญจรูนรัตเป็นหัวหน้าวง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 หลวงนาอยากฟังเพลงอะไรครับเด็กชายมิ่งเมืองถามท่านพระครูหลวงน้าอยากฟังไม่ได้หรอกมิ่งเอ้ยเดี๋ยวจะเป็นอาบัตเพราะหลวงน้าเป็นพระแต่ถ้าเองอยากเล่นให้หลวงน้าฟังก็เล่นเพลงแขกลบบุรีเล่นได้ไหมละ่ะท่านถามหลานชายได้ครับ แม่ขอเพลงแขกลบบุรีให้หลวงน้าหน่อยเขาบอกมารดาแล้ววงดนตรีก็เริ่มบรรเลงอย่างไพราะพราะพริงท่านพระครูแสนจะเพลิดเพลินหากก็กำหนดเพลิดเพลินหนอไปด้วยเพื่อไม่ให้เป็นอาบัต นางจำแลงรู้ใจพระน้องชายเมื่อจบเพลงแขกลบบุรีแล้วจึงต่อด้วยเพลงตราตรีประดับดาวหลานสาวคู่แฝดคือประทุมกับประเทืองก็มานั่งฟังอยู่ด้วยท่านพระครูมองหลานสาวคู่นี้แล้วก็ให้สงสารแม้จะเข้าสู่วัยสาวก็ยังพูดเสียงอู้อี้เพราะจมูกบี้มาตั้งแต่เกิดท่านคิดว่าจะช่วยหลาน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 เพิ่งสำเร็จแพทย์มาจากสหรัฐอเมริกานายแพทย์หนุ่มยกมือประนมไหวยอย่างนอบน้อมเขากราบท่านพร้อมคนเป็นอาไปครั้งหนึ่งแล้วเจริญพรโยมจบสาขาอะไรชำนาญทางด้านไหนศัลยศาสตร์ครับท่านได้ฟังเช่นนั้นท่านพระครูแสนจะยินดีถามเขาว่า งั้นก็พาตัดเสริมจมูกได้นะสิได้ครับผมเรียนมาทางด้านนี้โดยเฉพาะคำตอบของนายแพทย์หนุ่มทำให้ท่านสมพานปิตินักคิดในใจว่าเรานี่ก็มีบุญเหมือนกันนะดูหรืออยากจะพบหมอมาช่วยทำจมูกให้หลานสาวเวลาผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้พบสมความตั้งใจ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 นี่คุณหมอวหว้เสียสิเขาจะมาผ่าตัดจมูกให้เองสองคนจะได้มีจมูกโดงๆเหมือนคนอื่นเขาท่านบอกหลานคู่แฝดยกมือไหว้ในแพทย์จิรวิตและถามขึ้นพร้อมกันว่าอุณหมอทาไดจริงๆหรอในแพทย์จิรวิตพิจารณาดูจมูกของสาวน้อยเห็นว่า บี้แบนมองไม่เห็นดั้งเลยก็รู้ในทันทีว่าเหลือวิสัยที่จะทำได้หากก็ไม่ต้องการให้หญิงสาวเสียใจจึงพูดแบ่งรับแบ่งสู้ขอคิดดูอีกทีนะแล้วหมอจะบอกผ่านมาทางท่านพระครูออออุ่นอ่ะทั้งสองกระพุ่งมือไหว้และคลานออกไปนั่งที่เดิม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 นึกคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่ปรารถนาสิบนาทีให้หลังบุญก็ทิ้งไปเสียแล้วสงสัยว่าจะต้องเปลี่ยนชื่อจากเจริญเป็นบุญทิ้งเสียกระมังเวลาสี่ทุ่งการบรรเลงดนตรีก็ยุติลงนายแพทย์สมเจตนากับหลานชายลาท่านพระครูกลับโรงพยาบาลซึ่งอยู่ในตัวจังหวัด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 อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องกรรมอย่างถ่องแท้อาจจะสงสัยว่ามารดาเป็นผู้ทำกรรมแต่เหตุไฉลูกต้องมารับทั้งที่มนุษย์เราทำกรรมแทนกันไม่ได้คำตอบก็คือเป็นเรื่องของกรรมจัดสรรประทุมกับประเทืองจะต้องทำกรรมนี้ไวจึงได้มาเกิดเป็นลูกของนางจำเรียง